Music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 ไสาลีเป็นนครที่งดงามโดยธรรมชาติและโดยการประดับตกแต่งเป็นนครที่มีอดีตประวัติอันรุ่งโรจน์ทั้งทางการทหารทางการรบและทางศิลปกรรมมีสกุลช่างมากสาขาสั่งสอนอาชีพสืบต่อกันมาหลายชั่วบุริษยุคเป็นต้นว่าช่างเหล็กช่างทองช่างไม้หรือช่างก่อสร้างตลอดจนช่างประดับตกแต่งอุทยานและสา้ํา อันน่ารื่นรมภัยศาลีจึงเป็นเมืองตัวอย่างที่สกุลช่างแห่งนคร อ, อื่นๆพึงกล่าวถึงโดยความรู้สึกอันเป็นมงคลภัยาลีมีสิ่งอันเป็นอนุสร์ถึงบุคคลผู้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและผู้สั่งสอนศิลธรรมอยู่มากเป็นพิเศษสิ่งนั้นเรียกกันว่าเจดีแปลว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความคิดหรือความคานึงถึง โดยปกติเจดีเหล่านี้สร้างเลียนแบบจากจอมปลวกก่ออิฐหรือถมดินให้สูงขึ้นแล้วโบกปูนหรือดินทั้งบริเวณให้เตียนสะอาดเกลี่ยทรายลงไว้และตั้งชื่อเจดีนั้นตามนามบุคคลผู้มีประโยชน์ดังกล่าวแล้วบางครั้งตำบลบ้านทั้งตำบลก็มีนามเจดีนั้นไปด้วยโดยปกติถือเป็นจารีตประเพณีสืบต่อกันมาว่าเจดีต่างๆนั้น ควรรับความเคารพเอื้อเฟื้อแห่งบุคคลทั่วไปแม้ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นซึ่งจะรักษาฐานะของตนให้เป็นที่นับถือเชื่อฟังของมหาชนก็จะต้องไม่ทําการใดๆอันเป็นการสอสําแดงความดูหมิ่นเจดีย์สถานเหล่านั้นเป็นสําคัญด้วยข้อหนึ่งนามแห่งเจดีเหล่านั้นที่รู้จักกันแพร่หลายก็มีปาวานเจดีโคตมะกะเจดีสัตตัมพัฒเจดี สารันทเจดีและพระหุปตะเจดีเป็นต้นคำว่าภัยสาลีหรือเวสาลีนั้นสืบมาจากคำว่าวิสาละแปลว่ากว้างขวางเป็นชื่อแห่งรัชธานีของแววนวัชีอันมิกษัตริย์วง ลิชวีปกครองสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานทั้งวิธีการปกครองก็นับว่าแปลกอยู่มิใช่น้อยมีกษัตริย์แต่และพระองค์เดียวเป็นผู้ส่งอำนาจสิทธิ์ขาดแต่มีสภาใหญ่อันเป็นที่ประชุมร่วมของเจ้าริชวีเพื่อรับรู้และให้คำแนะนำในการปกครองแคว้นวัชีมีการเปลี่ยนแปลงวาระกันเป็นประมุขของที่ประชุมและจะเป็นประเพณีนิยมหรืออย่างไรไม่ปรากฏ จำนวนเจ้าลิชวีที่เป็นผู้ปกครองปร า, าสาทเป็นประมุขแห่งสกุลและมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองแวนแคลนต้องให้นับได้เลขเจเสมอเช่น 7,707 เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ลำพังปร า, าสาทราชวังของเจ้าลิชวีก็มีจำนวนมากมายยิ่งแล้วยังเคหสถานของอํมมาตราชบริพานและประชาชนอีกเล่าภัาลีจึงเป็นนคร ที่มีขอบเขตปราการล้อมรอบซึ่งจะคับแคบจำกัดไม่ได้อยู่เองเฉพาะสะน้ำอันกว้างใหญ่ถึงกับล้อมโรโวไว้แน่นหนาสงวนไว้สำหรับเจ้าริชวีโดยเฉพาะก็ช่วยทำให้ภยหัยาลีงดงามและน่ารื่นรมอยู่แล้วความงามเพราะการประดับตกแต่งปราสาทเขียสถานตลอดจนเครื่องแต่งกายอันประณีบรรจงก็ดูเหมือนจะช่วยเพิ่มพูนให้ชื่อของภั า, าลี ขจรขาจายไปทั่วพระนครน้อยใหญ่เป็นที่ปรารถนาจะเดินทางมาพำนักแรมเที่ยวเตยของชาวเมืองอื่นทั่วไปเหตุผลในข้อที่ชาวเมืองรักความเป็นระเบียบและความงามก็ไม่อยู่ภัยสาลีเป็นนครแห่งราชสกุลมีบุคคลวรรษกษัตริย์มากมายเป็นพิเศษระเบียบและความงามทั้งหลายยอมมาจากคติยะราชสกุลและแผ่ไปยังสกุลอมารราชบริพาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างเอาอย่างประกวดกันในการแต่งกายสร้างบ้านเรือนและระเบียบอื่นๆถึงกับสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาส่งชี้ให้พิสุทธ์ทั้งหลายสังเกตการแต่งกายเป็นต้นของประชาชนว่าเรียบร้อยเป็นพิเศษกว่านคร อ, อื่นดังกล่าวแล้วภัยสาลียังเป็นแหล่งสำคัญที่ประสิฐานพระพุทธศาสนามีอารามใหญ่น้อยตั้งอยู่ทั่วไปภายหลัง ที่สิหเสน บ, บดีเปลี่ยนจากการนับถือนิครนาตบุตรมาเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาทั้งเป็นผู้สนใจส่งเสริมให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในศีลธรรมด้วยภายสาลีนครจึงนับว่ารุ่งเรืองทั้งภายนอกและภายในหรือทั้งทางกายและทางจิตใจด้วยประกาศรชนิแม้นางอัมพาปาลีหญิงนครโสเพณีก็ยังมีศรัทธาในพระศาสนา ถวายป่ามะม่วงของตนให้เป็นสังขารามนามว่าอัมพปาลีวันซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาเคยเสด็จมาประทับแสดงธรรมก็หลายครั้งขอย้อนกล่าวถึงภริยาของพีมาเสนะเมื่ อ, อยังไม่ทราบว่าบุตรอันเป็นที่รักของตน ได้หายไปสู่ที่ใดคอยฟังข่าวจากพีมาเสนะและนายทหารอื่นๆไม่ได้เนื้อความว่าอย่างไรก็ร้อนใจยิ่งนักชวนหญิงรับใช้ได้คนหนึ่งก็รีบไปหาศิหเสนาบดีร้องไห้เล่าความทั้งปวงให้ฟังพรางขอให้ช่วยสืบพาบุตรให้ตนด้วยสิหเสนาบดีได้ฟังคําบอกเล่าดังนั้นก็นิ่งอึงไปครู่หนึ่งเมื่อสอบถามด้วยความว่าพีมาเสนะใช้ทหารไปพาตัวบุตรชาย ของธนิยะนายกองเกวียนมาในวันหวานด้วยจึงพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆอย่างทีท้วนตามวิสัยของขุนพลผู้เคยผ่านตักศกิลามาแล้วอันธนิยะนายกองเกวียนนั้นแม้จะไม่ใช่ทหารแต่ก็มีชื่อเรื่องลือเป็นพิเศษในการคุ้มครองขอบวนเกวียนของตนไม่เคยเสียทีจะโจรผู้แม้มีจํานวนมากกว่าอันหนึ่งตามที่สืบทราบก็ปรากฏว่า เคยผ่านการศึกษาจากสำนักตักกิิลามาจึงเป็นสหายสนิทกับจันทรายณนะมหาอมาตแห่งแคว้นมคตแต่ก็น่าจะเรียนวิชารบมาด้วยเป็นพิเศษจึงมีความสามารถรักษาตัวและขะบวนเกวียนด้วยดีตลอดมาชาธนิยะเป็นผู้พาบุตรของผีมาเสนาไปจริงก็หมายความว่าบุคคลผู้นี้ไม่ได้เรียนมาในขนาดธรรมดาหากได้ฝึกอบรมเป็นพิเศษในกลยุทธ แขกกว่าผู้เร่าเรียนอื่นๆเพราะจะต้องรู้วิธีข้ามกำแพงเมืองและเข้าไปในเคหสถานยังจิตที่ต้องการให้สำเร็จนอกจากนั้นจะต้องรอบรู้ความเป็นไปและตัวบุคคลผู้มีหน้าที่ในราชจิตจนถึงกำหนดหมายได้ว่าใครเป็นคนลักแย่งบุตรของตนมาตามวิสัยของนักรบผู้ศึกษามาดีแล้วจะต้องเป็นคนช่างสังเกตและรู้จักบุคคลสาคัญและเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไป ถ้าเรื่องนี้อื้อเฉาปรากฏแก่คนทั้งหลายมิใช่แต่พีมาเสนาเท่านั้นที่จะได้อัปยศแม้ตัวสิหเสนบดีก็จะพลอยเสื่อมเสียไปด้วยยิ่งถ้าข่าวแพร่กระจายไปสู่หมู่พ่อค้าต่างเมืองว่าทหารแห่งไพศ า, าลีนครรังแกคนค้าต่างก็จะเกรงกลัวหลบเลี่ยงไม่มาค้าขายไพศ า, าลีก็จะถูกกีดกันให้อยู่โดดเดี่ยวขาดการติดต่อทางการค้ากับเมืองอื่น เพราะเห็นใน่งการกระทำอันขาดเคลาวของบุคคลเพียงคนเดียวคิดแล้วสีหะเสนาบดีก็กล่าวปลอบโยนภริยาของผีมะเสนะและส่งนางกลับไปพร้อมกับรับรองที่จะจัดการให้ได้บุตรของนางขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกว่าตนสงสัยว่าใครเป็นผู้พาไป เมื่อได้สั่งให้ในายทหารเร่งควบมาไปตามตัวผีม้เสนะมาโดยด่วนแล้วสีหเสนบดีก็ชิดทบทวนต่อไปการที่นายกองเกวียนสามารถข้ามกำแพงเมืองมาพาบุตรของผีม้เสนะไปเป็นประกันนี้จะนักว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญได้ไหมตัวนายกองเกวียนนั้นจะต้องเป็นบุคคลพิเศษซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถที่ควรจะการยกย่องนับถือทีเดียวเมื่อผีม้เสนะเข้ามาทำความเคารพ สีหะเสนาบดีก็ต้องคำถามเป็นอันมากเกี่ยวกับเรื่องสุรเสนาบุตรของทนิยะที่ผีมาเสนะให้คนไปยั่งตัวมากับเหตุการณ์ในราตรีที่บุตรของผีมาเสนะหายไปแม้ผีมาเสนะจะยืนยันความคิดของตนว่าทนิยะไม่สามารถจะเป็นกำแพงเมืองเข้ามาลักบุตรของตนได้ก็ตามสีหะเสนาบดีฟังคำตอบต่างๆแล้วก็แน่ใจยิ่งขึ้นว่าทนิยะ ได้นาตัวบตรของผีมาเสนะไปเป็นประกันแน่นอนสีหาเสนาบดีจึงกล่าวว่าครัพระเจ้าเชื่อว่าไม่แต่ทนิยะจะนําบุตรของท่านไปเป็นประกันเท่านั้นยังคงมีอย่างอื่นอีกที่เขาละทิ้งไว้ที่ตัวท่านเพื่อให้ท่านต้องยอมส่งตัวบุตรของเขาคืนแต่โดยดีกลวิธีอันนี้ปกปิดกันในหมู่นักผู้เรียนวิชารบอาจารย์จะประสิทธิ์ประสัดความรู้ให้ก็เฉพาะแจศิษฐ์ผู้ที่ตนแน่ใจว่า ย่าไม่เที่ยวไปทำร้ายใครง่ายๆเพราะความขนองของตนเท่านั้นท่านสิหเสนบดีเป็นประเภทยาพิษใช่หรือไม่ผีมะเสนะถามขึ้นด้วยท่าทางมีความกังวลใจถูกแล้วสิหเสนบดีตอบมีหลายชนิดหลายประเภทและผู้ที่ทำเท่านั้นจะรู้ยาแย่เฉพาะอย่างเพราะอาจทำให้เกิดมีอาการต่างๆตามประเภทของอยานั้นเช่นให้อจามในวันต่อไปจนขาดใจตายให้ปวดข้อ ยกมือไม่ขึ้นหรือก้าวเท้าไม่ได้ถ้ายอมจำนวนเขาก็จะแจ้ให้ถ้าไม่ยอมเขาก็ปล่อยให้ตายคราะเจ้านั้นรู้วิธีแจ้อาจจะไม่ครบทุกอย่างก็ได้พีมะเสนะมีท่าทางอันไม่เป็นปกติรู้สึกคันคออยากจะไอหรือจามขึ้นมาทันทีแต่เพื่อ ที่จะไม่แสดงความขลาดออกมาต่อหน้าขุนพลของตนจึงกล่าวขึ้นว่าอันความตายนั้นย่อมเป็นธรรมดาสามัญของคนทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าเป็นทหารก็รักที่จะตายในสงครามได้สู้รบกันต่อหน้าที่ให้รู้ฝีมือไว้ไม่ใช่ถูกลอกทำร้ายจากคนขลาดแบบนี้ดูก่อนพีมาเสนะการที่เขาเปีนกำแพงเมืองและเข้าไปจนถึงบ้านของท่านยังเป็นการขาดเขาอีกหรือแล้วใครเล่า ที่เป็นลักแย่งบุตรของเขามาก่อนการกระชัมเช่นนั้นเป็นการสู้รบกันต่อหน้าหรือไม่เล่าเป็นธรรมดาของเขาผู้มีกําลังน้อยก็จะต้องใช้อุบายเอาชนะผู้มีกําลังมากให้จงได้อุบายทั้งหลายในสงครามไม่ถูกตําหนิว่าเป็นการขลาดทั้งสิน้นเรื่องของท่านนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงของภัยาลีนครแล้วข้าพเจ้าจะลองปล่อยให้ท่านแก้ไขเหตุการณ์เอาเองตามลําพังแต่เมื่อเรื่องพวพรร์เข้ามาถึงส่วนรวมด้วย ก็จําเป็นต้องยื่นมือเข้าจัดการขอยท่านรีบส่งตัวสุรเสนามาที่บ้านนี้โดยด่วนแล้วตัวท่านเองจงมาที่บ้านนี้ในเวลาหัวค่ําวันนี้ข้าพเจ้าจะเชิญธนิยะมาด้วยถ้ามีอะไรค้างอยู่ที่ตัวท่านเขาจะได้แก้แต่ข้าพเจ้าก็ได้ยินอยู่ว่าธนิยะเป็นอุบาสกผู้ถือรัตนตรัยเป็นสารณะและรอบรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากทั้งมีจิตใจอบเอื้ออารี ไม่พยาบาทใครง่ายอย่างไรเขาก็คงไม่ทาให้ท่านถึงตายโดยไม่จำเป็นอย่างแน่นอนพีมาเสนะรีบทำความเคารพศีหเสนาบดีแล้วลาไปสักครู่หนึ่งก็มีนายทหารพาสุรเสนะเข้ามาพบสีหเสนาบดีขุนพลแห่งไพราสารีนครรูปศีระสุรเสนะด้วยความปราณีและนึกชมเชยในรูปลักษณะอัน ง, งดงามมีสง่าอยู่ในใจ เขาหน้าตาท่าทางไม่บ่งบอกเลยว่าเป็นลูกของคนค้าผู้พนจรร่อนเร่ไปทั่วเมืองใหญ่น้อยถ้าเป็นบุตรของกษัตริย์ผู้ครองนครก็จะเหมาะสมหาน้อยไหมหสีหเสนบดีสั่งความบางประการแกสุรเสนะพอสมผลแล้วก็เรียกนายทหารผู้หนึ่งมาสั่งมอบให้พาตัวออกไป แม้เกือบจะถึงเวลาเที่ยงแล้วทนิยะก็คงใจเย็นอยู่ไม่ได้สั่งการให้เคลื่อนขบวนเกวียนหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งยังความแปลกใจให้เกิดใจชาวขับเกวียนทั้งหลายเป็นอันมากสักครู่หนึ่งก็มีชายสองคนควบมา้าตรงมาจากตัวเมืองภยัยาลีสู่หมู่เกวียนนั้นเมื่อเข้ามาใกล้และหยุดม้าก้าวลุมแล้วคนทั้งหลายจึงเห็นว่าชายคนหนึ่งในนั้นก็คือสุรสีณาอีกคนหนึ่งแต่งตัวเป็นนายทหาร แห่งแควนวัดชีสุรเสนะครึ่งเดินครึ่งวิ่งไปยังเกวียนของบิดาค่อยบรรจงกราบลงบนเท้าของธนิยะผู้นั่งอยู่บนเกวียนด้วยอาการดีใจและตื้นตันและกอดเชานั้นไว้คล้ายกลับจะไม่ยอมจากไปอีกธนิยะเอื้อมมือไปรูปศีรษะบุตรผู้เป็นที่รักยิ่งและนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ทาให้ชาวขับเกวียนผู้อยู่ในที่ใกล้เคียงต้องเบือนหน้าไปทางอื่น ด้วยความรู้สึกบางอย่างทันใดนั้นนายทหารแห่งแคว้นวัชชีผู้เดินเข้ามาอย่างไม่เร่งร้อนก็เข้ามาถึงและทําความเคารพก่อนทนิยะรับเคารพแล้วก้าวลงจากเกวียนยืนต้อนรับนายทหารนั้นรพระพเจ้าเป็นนายทหารรับใช้ท่านศิหเสน บ, บดีขุนพลแห่งแคว้นวัชชีท่านศิหเสน บ, บดีเพิ่งรู้เรื่องทั้งปวงเมื่อตะวันสายมากแล้วจากพระยาของพีมาเสนาะ ผู้ฝูงฝ่ายน้ําตาเข้าไปหาแจ้งเรื่องลูกหายเมื่อไต่ถามข้อความบางประการแล้วท่านก็เรียกตัวพีมัสยีนาไปพบหลังจากได้เจรจากันเป็นเวลานานพอสมควรก็สั่งให้เบิกตัวสุรเสนาเข้าไปหาสั่งข้อความมาถึงท่านพร้อมทั้งให้ข้าพรเจ้าเป็นผู้นําตัวมาคืนความละเอียดทั้งหลายสุรเสนาอาจเล่าให้ท่านฟังได้ข้าพเจ้าได้รับคําสั่งมาแต่เพียงว่า ขอให้ท่านรีบเคลื่อนขบวนเกวียนเข้าสู่ภายาลีแต่ในขณะ น, นี้และค่ำวันนี้ขอเฉิญท่านพร้อมทั้งสุรเสนะเป็นอคันตุกะผู้อันท่านเซนาบดีจะพึงต้อนรับด้วยความยินดีณเคียสถานด้านตะวันตกแห่งลิชวีสภาและจะมีนทหารเป็นผู้มารับตัวท่านไปอันหนึ่งท่านเซนาบดีสั่งมาว่าถ้าท่านจะมอบตัวบุตรของผีมาเสนะคืนไป ก็ให้ข้าพเจ้ารับไปด้วยโดยให้ขึ้นฉี่ม้าที่สุรเสนาขับตามข้าพเจ้ามานี้ทนิยะกล่าววาจาสัมแดงความขอบคุณเจในายทหารและฝากความขอบคุณและคารพไปยังศรีหเสนบดีแล้วให้าชาวขับเกวียนคนหนึ่งไปนําตัวบุตรของพีมาเสนะหมามอบไปกับนายทหารคนนั้นก่อนที่นายทหารจะลาจากไปทนิยะได้ตรงเข้าไปสวมกอดบุตรของพีมาเสนะและกล่าวคําขอโทษ ปลอบใจเด็กนมให้ยินดีแล้วทั้งสองก็ลาจากไป <gim> ข่าวที่ว่าสุรเสนะกลับมาแล้วกระจายไปในหมู่คนขับเกวียนอย่างรวดเร็วดูเหมือนทุกคนจะลืมหน้าที่ของตนชั่วขณะพากันกรูมาล้อมหน้าล้อมหลังด้วยความรักและดีใจแต่ถามอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ขาดปาก เนิยาจึงสั่งเคลื่ อ, ขอนขบวนเกวียนสู่กรุงภัยาลีแต่เพลานั้นสุรเสนาเล่าให้บิดาฟังว่าท่านเสียส น, นบดีเป็นผู้มากด้วยกรุณามีวาจาอ่อนหวานท่านสั่งมาขอโทษแทนพีมาเสนาและบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่ผีมาเสนาทำลงไปอันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งและท่านจะขอรับรองเราให้เป็นแขกพิเศษของแคว้นวัชีพร้อมกับ จะให้ลูกได้ชมสถานที่ต่างๆทั่วพระนครด้วยความสะดวกเป็นอันดีทนิยะถามขึ้นว่าระหว่างที่เขาจับเจ้าไปนั้นได้กักขังหรือขู่เข็นทรมานอย่างไรบ้างข้าแต่ท่านบิดาเขากักขังตัวไว้ให้อยู่ในบ้านหลังหนึ่งใกล้บ้านผีมาเสนะมีทหารเฝ้าไว้อย่างเข้มแข็งตัวพีมาเสนะเองขู่เข้นสดงอำนาจมากได้ไต่ถามข้อความมากลายเพื่อจใจลูกยอมรับดีๆว่า เราเป็นกองสอดแนมของแควนมคตเป็นตัวแทนจันทรายณะมหาอมาต ถ, ถ้าไม่ยอมบอกความจริงเรื่องนี้จะต้องถูกทรมานในวันต่อๆไปแต่ครั้นรุ่งขึ้นเวลาสายมากก็มีนายทหารมารับตัวไปที่บ้านของสิหเสนาบดีทนิยะนั่งฟังอย่างใช้ความชิดขณะนั้นขบวนเกวียนได้ผ่านเข้าประตูเมืองไปแล้วเมื่อได้เลี้ยวไปตามถนนใหญ่บางสายก็มาจอดณทำเลการค้า อันเป็นย่านพักเกวียนของคนค้าต่างเมืองทั่วไปยามค่าของภยายาลีมหานครดูเหมือนจะมีผู้คนเดินเตรไปมาตามถนนหนทางมากกว่าในเวลากลางวันอันร้อนระอุไปด้วยแดดพระทีมน้ำมันใหญ่น้อยสับพึบสัร่างดูเป็นทิวแถวไปตามระยะเส า, นาน้นๆชาวขับเวียนทั้งหลายที่มีความกังวลอยู่ด้วยเรื่องสุรเสนะก็เป็นอันหมดข้อวิตกใดๆแล้วต่างพักผ่อนบ้างเดินเตรในที่ใกล้บ้าง อย่างเบิกบานลมเย็ยนอันพัดผ่านสาน้ำและทะเลสาบบางแห่งมาช่วยทำให้เกิดความเยือกเย็ยนชุ่มชื่นแก่คนทั้งหลายขณะนั้นยามเฝ้าหมู่เวียนรอบนอกก็เข้ามาบอกว่ามีนายทหารสามคนจะขอพบทนิยะอนุญาตให้พาตัวเข้ามาได้ นายทหารเหล่านั้นก็เข้ามาทำความเคารพและเชื้อเชิญตามคำของศิษยเสนาบดีเมื่อได้เรียกติมพุเข้ามาสั่งแล้วธนิยะเลบุตรก็แต่งตัวตามลักษณะของคนค้าแต่ก็เรียบร้อยรัดกลุมเป็นอันดีแล้วทั้งห้าคนนั้นก็ขึ้นหลังมา้ามุ่งไปทางปราจินทิศเมื่อได้ผ่านลิชวิสภาอันตั้งตางานใหญ่โตอยู่ทางซ้ายมือแล้วเลยไปไม่ไกลนักก็ถึงเขตสถานหลังใหญ่ ของสิหเสนาบดีสร้างโดยฝีมือช่างอันประนีตบรรจงสมเป็นที่อยู่ของขุนพลแห่งแขวนวัชีแม้ในยามวิการจะสังเกตให้สิ่งทั้งปวงไม่ถนัดนักธนิยะก็รู้สึกว่าสิหเสนาบดีเป็นคนเจ้าระเบียบและรอบคอบไม่น้อยคนหนึ่งจากการที่เห็นลักษณะอาคารบ้านเรือนเมื่อลงจากมา้าผ่านทหารยามชั้นในเข้าไปแล้วธนิยะก็เห็นท่านเสนบดี ผูมีร่างสูงใหญ่ยืนคอยอยู่จึงชวนบุตรของตนเข้าไปแสดงความเคารพอย่างสูงซึ่งก็ได้รับความเคารพตอบด้วยอาการอันดีเช่นกันเมื่อได้เชิญให้ขึ้นสู่สันทาคารสลาเรือนรับแขกเรียบร้อยแล้วก็กล่าวสารานิยกถาปราศัยกันตามสมควรใจเหตุครั้นแล้วเสนาบดีจึงกล่าวขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ข้าพเจ้าขออภัยด้วย ถ้ารู้เห็นมาแต่ต้นก็จะไม่ทันให้เกิดเรื่องขึ้นได้ทนิยะตอบว่าข้าแต่ท่านเสนาบดีแม้รพระพเจ้าเองก็จะต้องขออาภัยเช่นเดียวกันที่จะต้องทำการบางอย่างเพื่อได้คืนมาซึ่งบุตรอันเป็นที่รักขณะนั้นผีมาเสนาพร้อมทั้งบุตร ได้เข้ามาในสันถาคารสลานั้นธนิยะรีบลุกขึ้นไปแสดงความเคารพก่อนและกล่าวคำขออภัยก่อนอย่างนอบน้อมเป็นเหตุให้พีมะเสนะรู้สึกสลดใจในการกระทําของตนและเกิดความรู้สึกเคารพนับถือในอัธยาศัยของธนิยะขึ้นมาทันทีเมื่อได้แสดงกระวะต่อท่านเซนาบดีแล้วพีมเะเสนจึงกล่าวว่านายกองกเกวียนผู้เจริญข้าพเจ้าควรจะขออภัยท่านก่อน แต่กลับเป็นท่านมาขออภัยข้าพเจ้าก่อนดังนี้ข้าพเจ้าขอชมเชยในน้ำใจของท่านเป็นอันว่าท่านเซนาบดีได้ช่วยให้เราทั้งสองเข้าใจกันดีและต่างไม่ถือโทษโกรธเคืองกันต่อไปธนิยะกล่าวว่าท่านผู้เจริญพุทธศาสนิกชนที่ดีย่อมรู้จักขออภัยและให้อภัยแจกกันและกันรู้จักบรรเทาความคิดอาฆาตพยาบาทเพราะนั่นเป็นทางความสงบสุข ศิษเ ส, สนาบดีผู้เริ่มใสในพระตนตรายอย่างยอดยิ่งอยู่แล้วเมื่อได้ฟังกระถาอันประกอบไปด้วยธรรมดังนั้นก็ยินดียิ่งนักจึงกล่าวว่าท่านได้กล่าวคําอันเป็นมงคลยิ่งเป็นอันขอให้เราทั้งหลายลืมเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วสนทนากันด้วยเรื่องอื่นอันเป็นที่เบิกบานเถิดผีมะเสนะยังไม่ค่อยไว้ใจนักว่าหมดเรื่องแล้วเพราะยังจำไถ่คําของเสษยสนาบดีได้อยู่ว่าเทนิยะ อาจทิ้งอะไรไว้ที่ตัวอีกก็เป็นได้จึงกล่าวเรียบเคียงถามขึ้นว่าในราตีที่ท่านเข้าไปสุเรนของข้าพเจ้านั้นยังจะมีอะไรที่ท่านได้ละทิ้งไว้อันจําเป็นจะต้องแก้ไขอีกหรือไม่ธนิยะยิ้มและตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ที่ท่านเลยทั้งทั้งที่ทพร้อมจะทําได้ทั้งนี้ก็ได้เห็นว่าบุตรของท่านคงเป็นประกันพอแล้ว และข้ารเจ้าก็าเห็นอยู่ว่าที่ท่านทำไปก็ได้ความจงรักและปรารถนาดีต่อชาววัดชีทั้งหลายแม้จะมีความเข้าใจผิดไปบ้างก็เป็นวิสัยธรรมดาของคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นสมัยอื่นที่ข้ารเจ้าอยยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาบางทีก็จะได้ล่วงเกินท่านมากทีเดียวและบางทีจะลามไปถึงการยิงธนูไฟเข้าไปเผาเมืองบ้างก็เป็นได้ถ้าข้ารัปาส่งคนไปยิงศักด์ีแห่งเท่านั้น มหานครภัยาลีก็จะกลายเป็นทะเลเพลิงไม่ทราบว่าความพินาศเดือดร้อนจะเกิดขึ้นสักเพียงไรเพราะบ้านเรือนที่ปลูกติดต่อกันนั้นที่มุงด้วยหญ้าคาและหญ้าแฝกก็มีมากแต่ก็เป็นคราวที่ข้าพระเจ้าจะต้องไม่ก่อกรรมหนักและประชาชนจะไม่ควรเดือดร้อนก็เผอเอินได้พบพระพุทธศาสนาก่อนทั้งยังมีท่านเสนา บ, บดีเป็นหลักสมานเราอยู่ด้วยก็นับว่า เป็นมงคลมิใช่น้อยสีหเสน บ, บดีถอนใจใหญ่รำพึงไปถึงการที่มนุษย์หาวิธีรบราค่าฟันก่อความพินาศปนปี้แก่กันละกันและการที่ตนต้องมารับผิดชอบในเรื่องเช่นนี้นี่ดีว่า ภยายาลีไม่มีความชิดตั้งรับอยู่ในเมืองหากวางแนวป้องกันไว้ตั้งแต่โกติคามเป็นต้นมามิฉะนั้นข้อความที่ทนายะกล่าวนี้ก็แสดงว่าภยายาลียังต้องการความรอบคอบในการป้องกันอีกหลายประการทีเดียวในที่สุดจึงได้กล่าวขึ้นว่านายกองเกวียนผู้เจริญสมเด็จพระบรมศ า, ศาสตาชื่อว่ามีส่วนช่วยคนทั้งหลายไม่ต้องพินาศย่อยยับเพียงแต่ ได้ไตรตรองหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ให้รอบคอบแล้วนำไปใช้ดับเพลิงคือโทสะของตนข้าพเจ้ามีความยินดีนักที่ได้พบผู้เป็นศิรร่วมพระศาสนาเดียวกันบัดนี้ข้อข้องใจทั้งหลายก็เป็นอันหมดไปแล้วข้าพเจ้าขอเชิญท่านกล่าวเรื่องราวอันเกี่ยวกับความดีเพื่อเป็นเครื่องยังใจของเราทั้งหลายให้เบิกบานในธรรมต่อไปธนิยะกล่าวว่า ท่านผู้เจริญเรื่องเกี่ยวกับคุณความดีนั้นถ้าจะให้ข้าพเจ้ากล่าวก็มีเรื่องอยู่แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้าพเจ้าเองคือคราวหนึ่งข้าพเจ้านั่งล้อมวงอยู่กับชาวขับเวียนทั้งหลายณริมฝั่งแม่น้ําอัจิรวดีใกล้กรุงสาวบถี